จเจริญพรท่านสาสนิกชนผู้มีจิตใส่บุญใส่กุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่สรองกรกราคมพุทธศักราช2519เป็นวันหยุดชนเชยเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ทางราชการเพียงได้ มีวันชดเชยวันหยุดชดเชยให้อีกหนึ่งวันคือวันนี้ญาติโยมเลยใช้โอกาสนี้มาบาเพ็ญบุญกุศลมาทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่อนํามาสึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญให้กับจิตใจของตนเพราะการกระทาเท่านั้นที่เป็นเหตุที่จะนํามาสึ่งความสุขและความเจริญ หรือนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การกระทาของเราทำดีได้ ด, ไ ด, ดีได้ความสุขได้ความเจริญทาชั่วได้ชั่วได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสียเป็นหลักสายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสโลสอนความจริงนี้หรือไม่ ความจริงย่อมเป็นอย่างนั้นผู้ใดกระทำย่อมต้องย่อมได้รับผลจากการกระทาไม่จาเป็นจะต้องมีใครมารับรองว่าทำแล้วจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้เพราะมันเป็นหลักทายตัวเป็นหลักของธรรมชาตินั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการความสุขและความเจริญเราก็ต้องหมั่นทาความดีกันเพราะเมื่อทำแล้ว สิ่งที่เราจะได้รับทันทีก็คือความสุขใจอย่างวันนี้เรามาทำบุญทำทานกันเราก็มีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดีในปัจจุบันส่วนผล อ, อ, อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจคือจิตใจของเราได้พัฒนาสูงขึ้นเป็นจิตที่ดีขึ้น ถ้าตายไปไปเกิดพบชาติหน้าก็จะเป็นพบชาติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือความหมายของความสุขและความเจริญไม่ได้อยู่ที่การเจริญด้วยลากยถสรรเสริญสุขบางคนทำความดีแล้วคิดว่าจะต้องร่ำรวยจะต้องได้รับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุจะต้องมีคนสรรเสริญยกย่อง นี่ไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทำความดีผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความน่อมเย็นเป็นสุขของจิตใจและอยู่ที่การพัฒนาระดับจิตให้เป็นจิตที่สูงขึ้นเป็นจิตที่มีคุณธรรมความดีงามมากยิ่งขึ้ น, นไปจนกระทั่งจนถึงจุดสูงสุด เช่จนจิตของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็เกิดจากการกระทำความดีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดนี่แหละคือเหตุหรือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมาวัดกันก็เพราะว่าเราต้องมาสร้างความดีงามให้กับจิตใจของเรา เพราะความดีงานนี้เป็นเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มและมีความเจริญเหมือนกับดินและน้ําที่เป็นเครื่องเสริมสร้างให้ต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกงามขึ้นมาได้ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ําต้นไม้ย่อมไม่ปรากฏเป็นต้นขึ้นมาได้ นไดความสุขและความเจริญของใจก็ต้องอาศัยการการทําความดีการกระทําความดีนั้นมีอยู่หลากหลายด้วยกันวิธีแต่หลักใหญ่ๆนั้นมีอยู่ตรงที่ว่าอยู่ที่การกระทําของเราท่านท่นท่นได้แสดงไว้ว่าการกระทํา อันใดก็ตามไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจถ้าทําไปแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์กับตนเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็ดีเป็นการกระทําที่ไม่เกิดโทษกับตนเองหรือกับผู้อื่นและหรือกับทั้ง ทั้งพทั้งตนเองและกับผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดีทำดีต้องไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวดังนั้นเราก็สามารถนำเอาหลักนี้ไปใช้กับการกระทำความดีการกระทำต่างๆได้ก่อนที่เราจะทำอะไรก็ขอให้เราพิจารณาให้ดีก่อนว่า าการกระทานี้มันดีไม่มันเกิดคุณเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษต่างมาถ้ามีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษก็ทำไปได้เลยแต่ถ้ามีทั้งคุณและมีทั้งโทษอย่างนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างคุณกับโทษอย่างไหนจะมากกว่ากันเช่นเราให้เงินลูกเราไปโดยที่เราไม่มี กำหนดไว้ว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้อยู่ที่ลูกของเราว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้าไปซื้อยาเสพติดซื้อบุหรี่ซื้อสุรายาเมามาเสพอย่างนี้ก็จะเกิดโทษได้อย่างนั้นเวลาจะให้เงินใครถึงแม้ว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ต้องแน่ใจว่าเงินที่เขาจะเอาไปนั้น เอาไปใช้ในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเช่นเอาไปจ่ายค่าเล่าเรียนเอาไปซื้ออาหารเอเป็นไปจ่ายค่ารถไปโรงเรียน <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เมื่อเราทําไปแล้วให้เขาไปแล้วมันก็จะเป็นก็มันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาเราก็มีความสุขที่เราได้ส่งเสริมให้คนได้มี โอกาสพัฒนาต น, ตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้นด้วยการสนับสนุนให้ได้ไปเรียนหนังสือแต่ถ้าการกระทาของเราเราให้ไปแล้วมันเกิดโทษเราก็ต้องไม่ให้เช่นให้เงินไปแล้วลูกก็เอาไปซื้อบุหรี่ซื้อสุรายาเมาซื้อยาเสพติดหรือเอาไปเที่ยวเล่น ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ต้องไม่ให้เพราะมันไม่มันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์นั่นเองแล้วก็ไม่ใช่เป็นการกระทําความดีแล้วเราก็จะต้องมาทุกทีหลังเพราะเมื่อลูกเราไปเสพสุรายาเมาไปเสพยาเสพติดก็จะไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาทําให้เราวุ่นวายใจไม่สบายใจ นี่เป็นเพราะว่าการให้นั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะให้อะไรเราต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าควรจะให้อะไรกับบุคคลแต่ละบุคคลนั้นก็มีฐานะแตกต่างกันจะให้อะไรก็ต้องดูฐานะของคนที่เราให้ว่าเขาจะได้รับประโยชน์ หรือไม่นี่คือการกระทำความดียกตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่เราสามารถทําได้หลายรูปแบบด้วยกัน mm hmm. เช่นรับใช้สังคมอย่างนี้ก็เป็นการกระทำความดีถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครขององคอ์กรใดองค์กรหนึ่งทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำความดีเหมือนกัน <Yeah. S 1> รับใช้ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพระคุณ mm hmm. เช่นบิดามารดาถ้าท่านมีอายุมากแล้วท่านไม่สามารถดูแลตัวเองได้ mm hmm. ก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องคอยดูแลรับใช้คุณพ่อคุณแม่เป็นการทดแทนบุณคุ ณ, คณที่คุณพ่อคุณแม่เคยรับใช้เรา ในสมัยที่เรานอนแออย่เบาอยู่ตอนนั้นเราสั่งพ่อสั่งแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเข้าห้องซ่วมก็ร้องเดี๋ยวเขาก็ต้องพาเราไปถ่ายอยากจะกินข้าวก็ร้องเดี๋ยวเขาก็เอาอาหารมาให้เรารับประทานเจ็บท้องปวดหัวก็ร้องขึ้นมาเขาก็พาไปหาหมอหายามารักษาให้กับเราจนเราจเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็เพราะท่นานเพราะความเมตตา คารุณาของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองและทีนี้เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอายุมากท่านก็จะกลับเป็นเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลาหิวก็ต้องอาศัยเราเป็นผู้เอาอาหารมาให้ท่านัประทานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้เราพาไปหาหมอเวลาอยากจะออกไปข้างนอก เราก็ต้องพาท่านออกไปข้างนอกบ้างเหล่านี้เป็นการกระทำความดีเช่นเดียวกันเพราะทำแล้วมันเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ที่ได้รับการกระทำของเราเช่นบิดามารดาก็มีความสุขมีความปิติมีความปลื้มใจมีความภูมิใจที่มีลูกที่ดี เราก็มีความสุขมีความปิติมีความภูมิใจที่เราได้ทำตัวของเราให้เป็นคนดีได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาอย่าปล่อยให้ท่านตายไปเสียก่อนแล้วค่อยมาทาบุญกวดน้าอุทิศให้กับท่านตอนนั้นบุญที่อุทิศไปนั้นมันได้เพียงเสี่ยวเดียวไม่เหมือนกับตอนทำกับทำให้กับท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ทำน้อยหนึ่งก็ได้ทั้งร้อยเลยแต่ถ้าทําบุญอุทิศนี้ทําร้อยหนึ่งอุทิศไปได้เพียงเที่ยวเดียวเพียงบาทเดียวเป็นต้นเพียงเดือนไม่ร้อยเท่านั้นเองแล้วก็อย่ามาร้องไห้ร้องหอบร้องไห้เศร้าโศกเสียใจที่หลังว่าไม่ได้ทําความดีให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยร้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นการแสดงละครให้คนอื่นเขาดูเสียมากกว่า ถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม้ท่านยังไม่มีอายุมากยังไม่แก่เราก็ยังทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้ช่วยเหลือท่านได้ถ้ามีงานมีการอะไรที่เราพอที่จะ <c oughs> ช่วยทำได้เราก็ควรจะช่วยทำไปอย่าเอาแต่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ เช่นไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มกับเพื่อนกับฝูงลองคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องลำบากลำบนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูเราเราควรที่จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานทาการหรือถ้าเราอยู่ในวัยที่ต้องให้ต้องได้รับการสั่งสอนจากท่านเราก็ควรจะน้อมรับคำสอนของท่านมาด้วยความเคารพ เวลาที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเราก็ไม่ควรที่จะเกิดอาการโมโหโทโสเกิดความไม่พออกไม่พอใจควรจะตั้งสติคิดเสียว่าเรากําลังฟังเทศฟังธรรมจากพระพ่อแม่นี้ก็เป็นพระพรมเป็นพระอารหันต์ของลูกๆเป็นครูบาอาจารย์ของลูกๆเวลาคุณพ่อคุอแม่พูดอะไรลูกๆควรจะตั้งใจฟังท่าน ยกมือรับพนมมือรับฟังได้ด้วยยิ่งดีใหญ่ท่านจะพูดอะไรก็ตามไม่ต้องแสดงปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็รับเอาไปฟังไว้แล้วเอาไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลสิ่งที่ท่านพูดถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็น้อมเอามาทําเอามาปฏิบัติสิ่งที่ท่านพูดแล้วมันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเราก็ไม่ต้องเอามา ปฏิบัติตามเช่นถ้าท่านสอนให้เราเป็นคนขี้โกงให้เรารักเล็กขโมยน้อยโกหกหลอกลวงเพราะท่านคิดว่าเป็นการฉลาเป็นการเ ป, เป็นความฉลาดอยู่ในโลกนี้ต้องเก่งกว่าคนอื่นโดวยวิธีเหล่านี้อย่างนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกเป็นคำสอนที่ไม่ถูกเราก็ไม่ควรที่จะต้องนาไปปฏิบัติแต่ มันก็ไม่ใช่ฐานะของเราที่เราจะไปเถียงคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามหน้าที่ของลูกนั้นมีหน้าที่เถียงรับฟังเท่านั้นเป็นผู้รับถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่บิดามารดาจะมอบให้กับเราเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราอยากจะสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องให้คุณพ่อคุณแม่ขอร้องก่อนเช่นเช่นขอร้องให้สอน ถ้าเรามีความรู้อะไรคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้จักเราเขาถามเราเราค่อยสอนท่านแต่ถ้าท่านไม่สอนไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถามไม่ขอร้องมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่เป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกไปตีตนเสมอพ่อแม่อย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเป็นคนที่ด้อยด้วยปัญญา นี่คือการกระทำความดีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตัดสาวกทั้งหลายได้บังเทนจนทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอาหารหันต์นอกจากทำความดีแล้วเรายังต้องทำอีกสองอย่างด้วยกันคือเราต้องละการกระทำความชั่วด้วยไม่ใช่ทำความดีแล้วก็ทำความชั่วควบคู่ไปด้วยอย่างนี้มันก็ จะไม่จะไปไม่ถึงไหนเพราะความดีก็พยายามจะฉุดเราให้ขึ้นสูงส่วนความชั่วก็จะฉุดให้เราลงต่ตาทำไปทามาเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปสูงเพราะทำไปดีเท่าไหร่ก็ถูกฉุดลงมาต่าทุกทีเช่นเราไปรับใช้เป็นอาสาสมัครรับใช้สังคมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ฉวยโอกาสลักเล็กขโมยน้อยชอบสมบัติข้าวของของคนอื่น เช่นคนที่เป็นอาสาสมัครไปเก็บศพคนตายอย่างนี้สร้างข้ามถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฉกฉวยโอกาสหยิบทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของคนตายไปเช่นเขามีนาฬิกามีแหวนมีสร้อยก็เอาไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดมันไม่ได้เป็นบุญมันเป็นโทษอาสาการทําบุญเป็นเป็นสิ่งที่บางหน้าแต่ สิ่งที่เรากระทำจริงๆนั่นก็คือบาปนั่นเองไปไปขโมยไปลักของของผู้อื่นมานี่คือการกระทำความชั่วเราก็ต้องละด้วยไม่ใช่ไม่ใช่จะทำแต่ความดีอย่างเดียวความดีก็ต้องทําความเชื่อก็ต้องละ <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องทําก็คือต้องกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจ ว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นต้นเหตุของการกระทําบาปถ้าเรามีความโลภแล้วเราก็จะทําบาปได้เพราะเมื่ออยากจะได้อะไรมากๆถ้าเราไม่สามารถหามาด้วยความสุจริตเราก็ต้องหามาด้วยวิธีทุจริตไปไปลักไปขโมยไปช่อโกไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นเราจึงต้องหันมากําจัดความโลภความโกรธความหลงเพราะต่อให้เรารักษาละเว้นการกระทําบาปมากน้อยเพียงไรมันก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะถ้าบาปใดยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันก็ยังสามารถไปทําบาปทํากรรมได้อยู่ เราจึงต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นต้นเหตุของการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะไม่ทำบาปีกต่อไปจะทำแต่ความดีอย่างเดียวเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้กำจัดความโลภความโกรธความหลง จนหมดไปจากจิตจากใจแล้วทุกสิ่งที่อย่างที่ท่านทำก็จะเป็นแต่ความดีทั้งนั้นเช่นสอนคนอื่นอุทิศเวลาช่วยเหลือคนอื่นสั่งสอนคนอื่นให้รู้จักผิดถูกดีชั่วให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะใจของท่านไม่มีความหิวไม่มีความอยาก ไม่มีความต้องการอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะใจนะั้นมีครบบริบูรณ์แล้วคือมีความสุขเต็มที่ถ้าเป็นน้ำก็เป็นเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วต่อให้เทน้ำลงไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไ ร, เพ ร, ะ เ, พระเพราะน้ำมันก็จะต้องไหลล้นออกมาดันใดจิตของผู้ที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปแล้ว ก็จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นจิตที่ไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นมีแต่อยากจะทำความดีอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาได้มีความสุขเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการชาระความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่จะต้องชาระตัวแรกก็คือความหลง เพรความหลงนี่เป็นต้นเหตุของความโลกเป็นต้นเหตุของความโกรธความหลงคืออะไรคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีเช่นเห็นการเสพสุรายาเมาว่าเป็นสิ่งที่ดีเสพแล้วมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นผิดเป็นชอบ เพราะคนที่ดื่มสุราแล้วมักจะเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะต้องไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาถ้าไปขับรถยนต์ก็อาจจะก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุต้องตายไปก่อนอายุที่ยังไม่ไม่สมควรที่จะต้องตายหรือต้องที่ครที่กายไปตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะไม่เห็น ก็จะคิดว่าการเสพสุรายาเมานี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราศึกษาแล้วเราดูแล้วว่าการเสพสุรายาเมาไม่ดีเราเลิกเสพเสียเราก็เราก็จะไม่อยากดื่มสุราเมื่อเราไม่อยากจะดื่มสุราเราก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมานี่คือคือการกำจัดความโลภและความเกิด ความโกรธก็เป็นสิ่งที่ตามมาจากความโลภนั่นเองเวลาเราโลภอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรแล้วถูกขัดขวางไม่ใหู้ไม่ให้ทําเราก็จะเกิดความโรกรธขึ้นมาเช่นเราอยากจะดื่มสุราแล้วภรรยาของเราไม่ให้เราดื่มเราก็จะเกิดความโรกรธภรรยาเราขึ้นมาดีไม่ดีเราอาจจะต้องทำลายทาลายทาลาย ภรรยาเราให้ใ ห, ให้ให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นเพราะเรามีความหลงหลงเห็นเห็นว่าสุราการดื่นชุราแล้วมีความสุขก็อยากจะดื่มเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อภรรยาตักเตือนห้ามไม่ให้ดื่มก็กดภรรยาแล้วก็ทุบปีภรรยานี่ก็เป็นเพราะว่า เราไม่ได้ศึกษาความจริงต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้เราจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆหรือที่ให้ความสุขกับเราจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งความดีและมีทั้งความไม่ดีปนกันไป มีทั้งความสุขและมีทั้งความทุกข์ปนกันไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวข้องต่างๆหรือบุคคลต่างๆก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราแล้วเราก็จะได้รับทั้งความสุขและได้รับทั้งความทุกข์เช่นถ้าเราได้ได้สามีหรือได้ภรรยามาเป็นคู่ครองเราก็จะต้องมีความ เราก็จะมีความสุขกับสามีและภรรยาเวลาแต่งงานกันใหม่ๆมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นอกชื่นใจแต่พออยู่กันไปแล้วความสุขที่เกิดจากการได้แต่งงานกันก็หายไปทีนี้ก็จะมีความทุกข์ตามมามีความทุกข์หลากหลายด้วยกันความทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะเอาแวงกันขัดใจกัน ความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นห่วงเป็นใยกันความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของของคนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆก็ดีไปหมดจะทำอะไรต้องการให้ทำอะไรก็ทำให้แต่เมื่ออยู่ไป น, นานาแล้วก็เปลี่ยนนิสัยไปเคยรับใช้เคยทำอะไรให้ก็ไม่ทำแล้ว นอกจากไม่ทําแล้วยังกลับมาใช้เราให้ทําเสียอีกนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคนที่จะต้องตามมาเสมอดังนั้นเราถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราก็จะไม่อยากแต่งงานจะไม่อยากมีคู่สู้อยู่ตัวคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปทุกข์กับเขาไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลกับเขา ไม่ต้องไปเกลียดไปโกรธเขาเวลาที่เขาขัดใจเรานี่คือความทุกข์ที่มีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่เรามองไม่เห็นมันเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราคิดไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นเวลาอยากจะได้อะไรต้องการอะไรจะเห็นแต่ส่วนที่ดี ดังนั้นแต่ส่วนที่ไม่ดีนั้นจะมองไม่เห็นเพราะความหลงเป็นอย่างนั้นความหลงจะมองแต่สิ่งที่ดีในสิ่งที่ตนเองต้องการจะมองไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่มีอยู่ด้วยดังนั้นชีวิตของเราจึงมีความสุขและความทุกข์เข้ากันไปส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์เสียมากกว่าความสุขนั่นก็เป็นเหมือนกับ น้ำตาลเคลือบอยาขมนั่นเองเวลาอมไปใหม่ๆก็มีความหวานดีพอน้ำตาลละลายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมให้เราอไมไว้นั้นใดสิ่งต่างๆที่เราได้มาในระยะแรกๆก็จะมีแต่ความสุขแต่ต่อไปก็จะมีแต่ความขมขื่นมีแต่ความทุกข์อยู่กันไปก็อยู่ไปแบบมีแต่ความทุกข์ แต่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยต้องทนอยู่ไปเพราะไม่ฉลาดนั่นเองแต่ถ้าพยายามได้ศึกษาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราจะรู้ว่ามีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรามีอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจเป็นผลที่เกิดจากความการกระทำความดีาการละการกระทำบา การกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจา ก, จ, ากจิตจใจนี่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่เลิศและประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุคทั้งหลายได้สัมผัสได้มาครอบครองเป็นสมบัติเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาเป็นสมบัติของเราได้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟัง เพราะทำคำสอนของพอพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทางทางเก่าที่เราเดินอยู่นั้นเป็นทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยเราก็ต้องมาทางนี้ดูต้องมาทดลองทางนี้ดูมาเริ่มต้นด้วยการทำบุญทำทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติกิจตภาวนาทำจิตใจให้สงบโดยการไหวพระสวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยๆถ้าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็จะทำให้จิตใจสงบเย็ยนสบายหรือจะกําหนดพุดโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปในใจก็ได้ถ้าไม่อยากจะสวดมนต์ นั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงหาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็ตั้งสติให้ยึดบริข่ายรู้อยู่กับ ก, บการบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเวลาจิตไปคิดเรื่องอะไรก็ต้องดึงกลับมาหาพุโทโธพุโทโธทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ พ, พอสงบแล้วจิตก็จะมีแต่ความสุข ความสบายมีความปิติมีความอิ่มมีความพอเนี่ยมีเป็นสิ่งที่จะจะ <c oughs> จะทำให้เรามีในดวงตาสว่างขึ้นเริ่มเห็นแล้วว่ายังมีความสุขอีกแบบหนึง่งที่ดีกว่าความสุขที่เราเคยมีอยู่เช่นความสุขที่ได้จากการไปดื่มไปรับไปทานไปดูไปฟัง ไปเที่ยวไปเล่นต่างๆความสุขแบบนั้นเราได้สัมผัสมามากพอแล้วแต่มันไม่เคยทำให้เราเกิดความอิ่มเกิดความพอเลยแต่ถ้าเราได้มาสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทาจิตใจให้สงบแล้ว <c oughs> เราจะมีความสุขเราจะมีความอิ่มมีความพอแลวเมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วความสุขชนิดอื่นๆที่เราเคยสัมผัสมานั้น จะหมดคุณค่าไปจะไม่มีความหมายกับเราอีกต่อไปเพราะถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับก้อนอิด ก, ก้อนกวดที่กับกับเพชรมินจินดานั่นเองก้อนอิด ก, ก้อนกวดนั้นมันไม่มีคุณค่าเหมือนกับเพชรมินจินดานฉันใดความสุขที่ได้รับจากการกระทาจิตใจให้สงบนั้นก็เป็นเช่นนั้น เป็นเหมือนเพชรนินทินดาความสุขที่เราได้รับจากการดื่มจากการรับประทานจากการดูการฟังๆการเล่นการเที่ยวต่างๆนั้นก็ channel, เป็นเหมือนก้อนกรวดก้อนหินนั่นเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าเราได้สมัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็ ik. จะมุ่งสู่ความสุขแบบนี้อยากจะให้มีความสุขแบบนี้มากยิ่งขึ้น เราก็จะเข้าวัดบ่อยขึ้นเราก็จะทำบุญมากขึ้นนักษาศีลให้มากขึ้นแล้วดีไม่ดีเราก็อาจจะออกบวชปฏิบัติธรรมไปเลยสละชีวิตของคาลวะไปเพราะเห็นว่าเป็นชีวิตที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิน้นความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความสุขที่เกิดจาก ชีวิตที่เรียบง่ายที่สงบไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆสามได้ถ้าเรายังมีสมบัติมีเข้าของเงินทองมีบริษัทมีบริวารเราจะหาความสงบหาความสุขไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจทั้งหลายนั่นเองทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายใจที่เราทุกข์ก็ทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยา ทุกกับลูกทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองทุกกับภาวรฐ ก, กิจการงานต่างๆแต่เราก็ไม่รู้จักหาทางออกกันเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะกันนั่นเองถ้าเราฟังธรรมะเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเห็นทางออกเราจะรู้แล้วว่าเรากำลั ง, งโง่อยู่เราทำไมต้องมาทนอยู่กับความทุกข์แบบนี้ในเมื่อมีความสุขรอเราอยู่อีกทางหนึ่ง เมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะตัดสินใจสละสมบัติเข้าของเงินทองลอยสับริวารต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด น, นี่ก็คือสิ่งที่เราจะสามารถทำให้กับเราได้ ถ้าเราหมนมาวัดมาทําบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้รับความสุขและความเจริญที่แท้จริงจึงอยากจะขอฝากให้ท่านได้นําสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ในพุนทธิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นวละสมควรแก่เวลา จึงข อ, อยุดิดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญคุณศนที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งนายโลกและนายธรรมธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ